ชีมาจากไหนกันชุ่มใหม่เหรอฝึกมาแบบไหนเคยกำหนดแบบพองยุบมาแต่ว่าตอนหลังมาก็มาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็คิดว่าน่าอยากจะปฏิบัติแนวนี้แต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยเพิ่งเริ่มปฏิบัติเรียนจากท่านทองวาเป็นสายนั้นค่ะ จริงกรรมฐานนะถ้าเข้าใจหลักแล้วจะง่ายมากเลยแล้วจิตใจของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้อย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆแต่ถ้าเราทำไม่ตรงหลักที่พระพุทธเจ้าสอนใน่ข้อหนึ่งที่สองเราทำกรรมฐานไม่ตรงกับจริตของเรานี่อีกข้อหนึ่งมันไม่ได้ผลปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใครๆเขาบอกว่า สิ่งที่สอนกันอยู่เนี่ยก็เอามาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเลยทุกสำนักนะไม่มีใครห้าวหาญบอกว่านี่ชันคิดเองมันทําให้คนที่เข้ามาปฏิบัติเนี้ยยุ่งยากโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ศึกษาภาคปริยัตมาจะแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นสิ่งที่อาจารย์สร้างขึ้นมาใหม่ ถ, <PTSD> ถ้าหากทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะการปฏิบัติจะง่ายแล้วก็ได้ผลเร็วด้วยอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าทำถูกต้องนะเดวัน7เดือน7ปีอะไรเียมันต้องมีผลบ้างอาจจะไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้พระนาคาเหมือนในพระเตปิโดกพูดยินรีรุ่นพวกเรามันอ่อนลงอย่างน้อยโสดาอะไรมันก็น่าจะได้บ้างนี่ถ้าหากเราไม่ได้ทาตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เราว่าอ้างพระพุทธเจ้านะ ทุกคนอ้างหมดนะมันก็ไม่ได้ผลนี่ข้อหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือทำกรรมฐานไม่ตรงกับจริตของตัวเองอันนี้ถึงจะทำตรงตามที่รพระพุทธเจ้าสอนนะมันก็ไม่ได้ผลสมัยพุทธกาลเองนะพระอยู่กับพระพุทธเจ้าเองบางองค์เรียนกับพระสารีบุตรอะไเงี้ยขนาดมือระดับพระสารีบุตรนะยังให้กรรมฐาน ไม่ตรงจริตลุกสิตก็เคยมีไม่ใช่ท่านสอนได้ทุกคนด้วยนี่พวกเราไม่มีครูบาอาจารย์ในระดับพระพุทธเจ้าที่จะมาชี้เป็นชี้ตายเราว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วไม่สำเร็จเราก็ต้องอาศัยความสังเกตของเราว่าทำกรรมฐานยังไงแล้วสติจะเกิดทำยังไงจิตจะเกิดสัมมาสมาธิทำยังไงจะเห็นความจริงของกายของใจได้ ต้อสังเกตเอาไม่ใช่ทํากรรมฐานตามเพื่อนอย่างเพื่อนเขาพุโทโธนะเราก็จะพุโทโธกับเขาเพื่อนเขาดูพองยุบท้องพองยุบก็จะพองยุบกับเขาอะไรอย่างนี้ตามๆกันไปเมันไม่ได้ผลกรรมฐานจริงๆนีทางใครทางมันนะในหลักการปฏิบัติเนี่ยจะต้องตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ในขั้นลงมือทําเนี่ย ทางใครทางมันแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ครูบาอาจารย์ส่วนมากเนี่ยท่านเคยทำมาอย่างไงท่านก็จะสอนอย่างนั้นมีครูบาอาจารย์ที่สอนตามจริตนิสัยเหมือนกันแต่ว่ามีไม่มากองค์ที่เห็นจริงๆกับหลวงปู ด, ดูลเนี่ยสมัยน้นคนที่ไปเรียนกับท่านมีน้อยท่านก็ทาได้นานๆมีคนไปเรียนกรรมาฐานสักทีหนึ่งท่านอยู่ท่านได้สบาย เก้าสกว่าปีไม่มีใครยุ่งไม่มีคนรู้จักเวลาไปเรียนกรรมฐ า, านกับท่านนะท่านจะนั่งเงียบๆนะหลับตายเงียบไปเป็นชั่วโมงเลยพอลืมตาขึ้นมาก็จะสอนสั้นๆ ส, สั้นนิดเดียวประโยคสองประโยคไม่มากกว่านั้นหรอกถ้าเราไปทำอย่างอื่นนะแทบลม้มแทบตายไม่สําเร็จวันหนึ่งกลับมาทาอย่างที่ท่านบอกนะั้นได้ผลอย่างรวดเร็วเลยคือครูบาอาจารย์ที่สร้างบารมีมาในด้านนี้มันหายาก มีก็ระดับรองลงมาคือใช้สังเกตเอาครูบาอาจารย์สังเกตเอาไม่ได้สอบประวัติเราไปในอดีตได้มากมายหลายพบหลายชาติสังเกตว่าทําอย่างนี้ดีไหมทําอย่างนี้ดีไหมก็สอนตามจริตนิสัยก็ยังมีคลาดเคลื่อนได้บ้างเราต้องค่อยสังเกตเอาว่าทํากรรมฐานอะไรแล้วสติจะเกิดทํากรรมฐานอะไรสมาธิเกิดทํากรรมฐานอะไรมีปัญญารู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงได้ ต้องสังเกตเอาเองนะอย่าทำกรรมฐานตามเพื่อนอย่าทำกรรมฐานเพราะว่าชอบอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้พองยุคคนนับถือมากเราก็เอาบ้างถ้าจริตนิสัยเราไม่เหมาะกับพองยุบนะทำไงก็ไม่ได้หรืออาจารย์นี้ท่านพุทโธเราชอบนะดูท่านเคร่งครัดดีชอบเราไปหาพุทโธแล้วมันไม่ตรงจริตมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน งันสิ่งที่เราต้องสํารวจตัวเองนะมีสองงานนะั่นหนึ่งเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าถูกตรงไหมที่สองเราทํากรรมฐานได้เหมาะกับจริตนิสัยของเราไหมถัดจากนั้นก็ให้มาดูเรามีอุปสรรคเครื่องขัดข้องอื่นๆไหมอย่างที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องไม้ลอยในแม่น้ำกงุงงาติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาไปเกยตื้นไปถูกน้ําบน ถูกมนุษย์จับไว้ถูกอมนุษย์จับไว้เน่าในหรือถ้าจิตใจของเรานะยึดอันโน้นยึดอันนี้ติดดีติ ด, ด, ตดชั่วนะติดสุขติดทุกข์หรือไปสร้างพบขึ้นมานหนึ่งพวกเรานะักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะแอบไปสร้างพบขึ้นอันหนึ่งว่างๆแล้วก็น้อมใจให้ไปอยู่ในว่า ง, างๆนั้นนะแล้วาก็คิดว่าเป็นพระอรหันนะอย่างนั้นมันหันไปหันมาแล้ว เราต้องสารวจใจตัวเองหรือจะเอาสำรวจว่าเรามีศีลบริบูรณ์ไหมศีลไม่สมบูรณ์อย่ามาพูดเรื่องกรรมฐานเลยถือศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องขัดกลาวกิเลส ท, ที่หยาบที่สุดแล้วยังทําไม่ได้จะามาขัดกลาวกิเลสละเอียดได้ยังไงศีลของเราดีไหมเราต้องสํารวจค่อยๆดูค่อยดูตรวจสอบตัวเองไปเรื่อยใจของเราไปติดกลัวพันในคนอื่นไหม ในลูกในเมียในสามีปัญญาอะไรเงี้ยในเพื่อนฝูงในพวกเข้าวัดด้วยกันใจเราห่วงหน้าห่วงหลังไหมห่วงหน้าห่วงหลังนะก็ยัง ไ, ไปไม่ไม่ไหวยิ่ต้องสารวจสารวจหรือติดชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยติยดตอมนุษย์ถูก่อมนุษย์จับไว้ชื่อเสียงเกียรติยศอยากดังอยากไปนัอาจารย์กรรมฐานอะไรเงี้ยนะอยากดังอยากใหญ่อยากให้คนยอมรับนับถือ อยากได้ลาบสักการะเนี่ยอมนุษย์จับเอาไวนะ้แล้วเนี่ยสำรวจตัวเองนะสำรวจไปถ้าเราไม่เป็นมีอุปสรรคเครื่องขัดข้องเหล่านี้เนี่ยหรือเรื่องน้ํำวนก็คือกามจิตเรายัางเพลิดเพลินพอใจในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไหมเพลิดเพลินในการดูเพลิดเพลินในการฟังเพลิดเพลินในการกินเพลิดเพลินในการนอนนี่กามทั้งนั้น ถ้ายัางติดใจในกามอยู่อย่างนี้นก็ข้ามพพค่ามชาติไม่ไหวนี่ต้องสำรวจนะเพราะงั้นอันแรกเลยศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพื่อจะได้ให้หลักถูกต้องอันที่สองค่อยๆสังเกตไปเราทำกรรมฐานอะไรแล้วสติเกิดสมาธิเกิดปัญญากเกิดอันที่สามค่อยสำรวจอุปสรรคเครื่องขัดข้องเป็นระยะระยะไปบางทีตอนนี้ไม่คิดไม่ติดขัดนะภาะวานาไปช่วงหนึ่งเกิดติดขัดขึ้นมา อย่างบางคนช่วงภาวนาแรกๆเรียบร้อยดีภาวนาไปถึงจุดหนึ่งจะฟุ้งซ่านในธรรมะอยากพูดธรรมะอยากสอนทั้งวันเลยนะไปเจอใครก็จะพยายามยัดเยียดธรรมะให้เขาใครเคยเป็นบ้างไหมมีไหมเป็นเป็นเยอะในโลกนี้พอยัดเยียดแล้วเขาไม่เอาก็โมโหเนี่ยต้องสำรวจสำรวจ ถ้าทำสามอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่นะการจะเข้าถึงมรรคนิพพานในชีวิตนี้ก็เป็นเรื่องเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเดือวิสัยละงั้นวันนี้จะพูดสามจุดนี้แหละอันสุดท้ายพูดไปแล้วอันแรกเลยก็คือพระพุทธเจ้าสอนอะไรแนะ่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนใบไม้หนึ่งกำมือกำมือเดียวนะอะไรที่เกินที่ท่านสอนเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกแต่ท่านไม่สอน เราไม่จําเป็นงั้นถ้าเรามาศึกษาให้ดีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอะไรคือสิ่งที่อาจารย์ชั้นหลังสร้างขึ้นมาต้องแยกให้ออกสิ่งที่อาจารย์ชั้นหลังสร้างขึ้นมามันก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนที่ท่านไม่สอนไม่ใช่ท่านไม่รู้แต่ท่านเห็นว่าไม่จําเป็นหรืออาจจะเป็นพิษเป็นภัยก็ได้อย่างที่ท่านสอนสติปัฏฐานสังเกตให้ดี ทุกข่ายทุกสํานักนะล้วนแต่บอกว่าทำสติปัฏฐานทั้งนั้นแนะถามว่าเราทำตรงที่พระพุทธเจ้าบอกหรือเปล่าไม่มีใครพูดนะไม่กล้าพูดด้วยนะกลัวว่าจะอากตันอยู่กับอาจารย์อย่างการหายใจอย่อางอนาปนสติถามว่าพวกเราที่ฝึกอานาปนสติทำตรงที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าส่วนใหญ่ทำไปตามที่รือสีชีพลายสอนไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอน ทำไปเพื่อจะให้ใจเป็นแน่วลงไปในอารมณ์มันเดียวแล้วก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ในความสุขในความสงบส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นลองดูว่าพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานยังไงเขาสอนง่ายๆนะภิกษุทั้งหลายให้คู่บันลังผู้บันลังคือนั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะคนแขกเขาไม่ได้นั่งเก้าอี้เขานั่งกับพื้นถ้านั่งพื้นที่จะนั่งได้ทนทนหน่อยไม่ค่อยเจ็บค่อยปวดก็คือถ้านั่งขัดสมาธิ ถ้าพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ในยุโรปท่านจะบอกภิกษุทั้งหลายนั่งเก้าอี้หลังตรงๆจะพูดอย่างนี้จะเปลี่ยนไปนี่ถ้าพูดกับคนนั่งพื้นเขบอกภิกษุทั้งหลายนะให้ครูบรรลังนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงๆไว้ดํารงสติเฉพาะหน้าหมายถึงรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าสภาวะธรรมอะไรที่ปรากฏเฉพาะหน้าในขณะที่ทําอานาปัสสติก็ลมหายใจนั่นเอง ท่านสอนบอกว่าพิสูนทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเริ่มจากหายใจออกก่อนนะสังเกตให้ดีท่านให้หายใจออกก่อนส่วนเราทั้งหลายที่ทำสังเกตไม่หายใจเข้าก่อนตนจะพองหนอใช่ไหมกต้องหายใจเข้า หรือจะหายใจเข้าพุทธใช่ไหมหายใจออกโทดูให้ดีนะเริ่มเคลื่อนเคลื่อนตั้งแต่ตรงนี้แล้วท่านบอกว่าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้ให้ทําอย่างอื่นที่เกินจากคาว่ารู้พวกเราไม่รู้การหายใจแต่พวกเราเพ่งการหายใจเราจะไปเพ่งที่ลมหายใจบ้างเพ่งที่ท้องบ้างเพ่งที่ท้องของยุบตามการหายใจเราจะไปเพ่งท่านบอกให้รู้แต่เราจะเพ่ง คืยการหายใจเนี่ยท่านหายใจท่านไม่ได้บอกว่าหายใจมีกี่จังหวะนะหายใจก็หายใจธรรมดานี่หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปหายใจออกก่อนเนี่ยใจจะเบาใจจะสบายใจจะนุ่มนวลถ้าหายใจเข้าก่อนนะใจจะแข็งใจจะกระด้างภาวนาต่อไปไม่ไหวหายใจออกใจนุ่มนวลนี่พวกเราที่หายใจเราชอบถามว่าเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนเริ่มถามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแล กอนกำหนดลมหายใจอยู่เนี่ยเราจะเอาจิตตั้งที่ไหนดีบางคนตั้งที่เดียวตั้งที่จะงอยปากบางคนตั้งที่ปลายจมูกบางคนตั้งหลายที่เลยมีหลายฐานไล่ลมไปแล้วแต่ลมจะกระทบฐานไหนไล่ไปมีหลายฐาน6ฐาน7ฐาน8ฐานแล้วแต่จะบัญญัติขึ้นมาเช่นต้องรู้ที่จะปลายจมูกนะที่ที่จะงอยปากที่จมูกที่เพดานที่คอนะ ที่หน้าอกที่ท้องอะไรไล่ไล่ลไล่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแต่อาจารย์ชอบสอนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือสมถกรรมฐานมันคือการเอาเชือกมัดจิตเป็นปล้องปล้องป้อ ง, องไว้ไม่ให้จิตหนีไปจากลมสิ่งที่ได้คือสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานจะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนหายใจออก ก็รู้สึกไปหายใจเข้าก็รู้สึกคือว่ารู้สึกนี้มีสองอย่างซ้อนกันอยู่รู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้สึกถึงการหายใจออกรู้สึกถึงการหายใจเข้ารู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นว่าตัวที่หายใจออกตัวที่หายใจเข้านี้เป็นศักแต่ว่าธาตุศักแต่ว่าขันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราหายใจเห็นแต่ธาตุนี่กระเพิ่มกระเพื่อมอยู่เห็นก้อนธาตุนี้มันกระเพิ่มไปตามการหายใจของมัน มันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนาธาตุมีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกนี่เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาถอดทอนความเห็นผิดว่ามันเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาไอตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวลาหายใจนะรู้สึกเห็นร่างกายหายใจไปปัญญาก็รู้ทันลงไปไอตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ควหรอกเป็นก้อนาธาตุที่กาลังกระเพื่มกระเพื่อไม่ใช่เราด้วย เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยจิตจะไปเห็นมันเป็นก้อนาธาตุได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูได้จิตต้องมีสัมมาสมาธิในขั้นที่เข้มข้นหนุนหลังอยู่เพราะฉะนั้นการรู้กายเนี่ยต้องทำสมาธิก่อนอยู่ๆจะไปกําหนดรูปนามด้วยการรู้กายเลยทำไม่ได้จริงหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกายานุปัสสนาต้องทาฌานก่อน อย่างน้อยไม่ได้ฌานต้องได้อุปจาระสมาธิจิตรวมลงไปเหลือในความรู้สึกกันเดียวเหลือผู้รู้ขึ้นมารู้การหายใจนั้นเสร็จแล้วตัวผู้รู้เนี่ยมันจะเป็นทรงตัวอยู่ออกจากสมาธิแล้วเจอจิตผู้รู้จะทรงตัวอยู่แล้วมันจะเห็นเลยไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยนี่พวกเราดูสิทบทวนดูสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยตรงที่พระพุทธเจ้าสอนไหมพวกที่รู้กายทั้งหลาย ทำสมาธิก่อนหรือเปล่าอยู่ๆก็รู้ท้องพองยุบใช่ไหมยังไม่ได้ทำสมาธิก่อนอยู่ๆไปรู้ลมหายใจจิตยังไม่มีสมาธิมันจะได้แต่สมถรถะรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนจิตไม่มีสมมมาสมาธิหนุนหลังอย่างเข้มแข็งอยู่จิตมันจะถลําลงไปในในเท้าเวลาเดินหรือเพ่งกายทั้งกายมันคือการเพ่งคือสมรถะ เพราะฉั้นถ้าจะเดินกายต้องมีสมาธิทําฌานก่อนทาฌานเป็นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างน้อยที่ดีที่สุดเลยนะอย่างน้อย ท, ที่ถือว่าใช้ได้จริงๆแล้วต่ำที่สุดนะ่ะเขาเรียกอะไรมินิมัมมินิมัมนิดใช่คือฌานที่สองทุติยฌ า, านฌานที่สองเนี่ยต่างกับฌานที่หนึ่งไงฌานที่สองไม่คิดแล้ว ลาวิตกวิจารณ์ชานที่สองไม่คิดเหลือแต่รู้เพะ้นตัวผู้รู้มันจะเด่นขึ้นมาตัวผู้รู้มันเด่นทรงตัวเด่นนะเรียกว่าเอโกทิภาวะในชานที่สองจะเกิดเอโกทิภาวะตัวผู้รู้ขึ้นเด่นออกจากชานที่สองเนี่ยอำนาจของชานยังหล่อเลี้ยงตัวผู้รู้ไปได้อีกช่วงหนึ่งมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลย เราจะเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งแยกกันหมดเลยด้วยอำนาจของสมาธิในขั้นที่เข้มข้ น, นมันก็แยกกันไปช่วงหนึ่งเสร็จแล้วมันจะไปรวมกันอีกก็ต้องทำสมาธิใหม่เนี่ยอันนี้เป็นเส้นทางเดินของสมถยานิกการดูกายเป็นเรื่องของสมถยานิกอย่างครูบาอาจารย์วัดปา่าทำไมทำเราได้ผลมากท่านทาสมาธิก่อนแล้วท่านมารู้กาย เยอะได้ผลเยอะไม่มีสมาธิไม่รู้กายไม่ได้มันจะกลายเป็นเพ่งกายแต่สมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธินะพ่อส่วนใหญ่ที่ทําอยู่มันเป็นมิจฉาสมาธิเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเราใจของเรามีสตินะเห็นตัวที่หายใจหายใจออกหายใจเข้าเราเห็นไปมีปัญญารู้ว่าตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องมีสมาธิหนุนหลัง นี่อนาปนานสติเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะหรือคนไหนรู้อิริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนอย่างที่พวกเราชอบรู้กันนะั่นเราจะไปเพ่งกายทั้งกายหรือจะขยับมือเราจะไปเพ่งใส่มืออันนี้อยู่ในสัมปชัญญะบัพเพ็ญไหวเคลื่อนไหวก็รู้สึกเรากลับไปเพ่งใส่มือเวลาเดินจงกรมยกเท้ายั้งเท้ามีจังหวะใช่หมหจังหวะบ้าง7็จังหวะบ้าง อันนี้ก็เกินที่พระพุทธเจ้าสอนเวลาพระพุทธเจ้าสอนอีริยาบทสเนี่ยใช่ไหมท่านสอนง่ายๆพิสูจ ท, ทั้งหลายเมื่อนั่งอยู่ให้รู้ว่านั่งอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายือนอยู่เมื่อเดินอยู่รู้ว่าเดินอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่รู้ด้วยสตินั่นเงเสร็จแล้วก็มีปัญญาเห็นว่าตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราถ้ามีสมาธิหนุนหลังใจตั้งมั่นจะเห็นเลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเรา แต่พวกเรากลับไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราทำตามที่อาจารย์สอนเดิน 1-9 ก้ามีกี่จังหวะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนึกออกไหมยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็คล้ายๆฝึกอนาปนาสติอย่างที่ว่ามีฐานตั้งมากมายนี่พอเราจะเดินจงกรมเราก็มีฐานมากมายมีกำหนดลงไปเป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ยะลงไป6จังหวะ7จจังหวะอะไรอย่างนี้ สิ่งที่ได้มาคือสมถะกรรมาฐานเดินไปแล้วตัวลอยนะตัวเบาตัวโปรงเดินแล้วมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาเดินแล้วผนลุกผนพองรู้สึกวูบๆว่บาบๆบเราไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นมิปัสสนาญาณไม่ใช่ญาณญาณเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่ออาการทางร่างกายงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือปีติทำไมเกิดปีติขึ้นเพราะว่าไปทาสมถะเข้าไม่ใช่วิปัสนา ถ้าทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนยังง่ายกว่านั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่คําว่ารู้ก็มีสองในย่าที่หลวงพ่อบอกหนึ่รู้ด้วยสติการู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติคือเห็นรูปนี้กําลังเคลื่อนไหวอยู่รู้ด้วยปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของรูปตัวนี้มันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนาธาตุมันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตจะเห็นตรงนี้ได้จิตต้องมีสมาธิหนุนหลังอีกแหละ หรือขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนขยับมือเนี่ยสองข้างเนี่ยรวมแล้วมีสิบสี่จังหวะถามว่าพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพเจ้าไม่ได้สอนแต่หลวงพ่อเทียนสอนถามว่าหลวงพ่อเทียนสอนดีหรือไม่ดีดีนะอสอนดีคนไหนจดิตนิสัยเหมาะกับขยับอย่างนี้แล้วมันก็ทําได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดีนะ หลวงพ่อเทียนเป็นพระที่ดีที่วิเศษที่สุดองหนึ่งเลยที่หลวงพ่อเคยเห็นเป็นพระที่อัศจรรย์มากนะภาวนาสามเดือนออหนึ่งหลวงปู่บุตรดาว่าภาวนาเร็วนี้นะ 4, สี 4, ส่พันษาสพัาเรุ่นหลังๆนี่ที่ภาวนาเป็นจริงๆนะ 20, 30, ยี่สสาสิปีเริ่มหย่อนๆย่อนย่อนลงมานะถ้าขยับเนี่ยมีสติระลึกรู้รูปที่เคลื่อนไหว ขยับหลวงพ่อเทียนสอนชัดๆเลยนะท่านไม่ได้ให้ขยับ14จังหวะเนี่ยเพื่อบังคับจิตเทนิ่งเนี่ยทำไมหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อถึงชมท่านว่าสอนดีท่านไม่ได้บังคับให้จิตเข้าไปแนบที่มือนิท่านให้ขยับเพื่อจะให้รู้สึกตัวเท่านัเนี่ยความต่างนะความต่างกับบางอาจารย์ที่ให้ขยับร่างกายแล้วมีจังหวะหลวงพ่อเทียนให้ขยับเหมือนกันมีจังหวะเหมือนกันแต่จุดประสงค์ของท่านเนี่ยต้องการกระตุน้นความรู้สึกตัว ไม่ใช่ให้เพ่งมือเรขยับเนื้อร่างกายเคลื่อนไหวสติแค่ะระลึกรู้ปัญญาเห็นเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่รูปที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่เนี่ยท่านเดินอย่างนี้นะท่านถึงเดินถูกแต่ลูกศิษย์รุ่นหลังก็ทําผิดเหมือนกันสํานักต่างๆนั่นแหละเรขยับมือขั้นแรกเลยต้องวางฟอร์มก่อนทําคลึ้มก่อนหลงพ่อจะทําให้ดูต้องวางฟอร์มให้ดีก่น เนี่ยต้องทำใจขึ้มๆก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับเนี่ยจิตมันจะไปเพ่งอยู่ที่มือเนี่ยสมถ t ละเพราะงั้นรุ่นหลังหลวงพ่อเตียนไม่ชอบสมร t าลูกศิษย์รุ่นหลังติดสมถะเยอะเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำอย่างที่หลวงพ่อเตียนสอนละไม่ได้แก่นเหลือแต่เปลือกคืออิริยาบถสิจังหวะนี้เหลือแต่เปลือก เนี่ยอะไรที่มันขัดมันแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้านะต้องเรามาระวังพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าเวลาขยับมือเวลาเคลื่อนไหวเวลาคู่เวลาเหยียดเนี่ยให้เพียงให้กําหนดท่านบอกว่าพิสูจนทั้งหลายเมื่อก้าวไปนะก็รู้สึกถอยหลังมาก็รู้สึกใช่ไหมเหลียวซ้ายแลขวาก็รู้สึกเนี่ยจะคลองผ้าสบองจีวรสังฆาติเนี่ยจะขยับไม้ขยับมือรู้สึกรู้สึกก็คือมีสติรู้สึก มีปัญญาเห็นความจริงว่าตัวที่กระดุกระดิกนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่หลักมันอันเดียวกันนะไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรในสติปัฏฐานนะหลักเหมือนกันหมดเลยนะมีสติไปรู้สภาวะมีปัญญาไปรู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของเขานี่พวกเราถ้าไม่ได้ทําตามที่พระุทธเจ้าบอกนะลําบากยากแข้นทําหลายปีละกิเลสไม่ได้จริง ได้แต่ข่มกิเลสเป็นคราวๆอย่างบางท่านภาวนานะียยังเที่ยวไล่ตีไล่ต่อยกัเขาไปทั่วนะ <c oughs> ถ้าภาวนาถูกต้องยังไม่เป็นอย่างนั้นหรอก <c oughs> นี่เราดูเวทนาก็หลักเดียวกันดูเวทนาก็ใช้หลักอันเดียวกันมีสติรู้ลงไปที่เวทนาความปวดความเมื่อยความสุขความเฉยเฉยมีสติรู้ลงไปในกายนี่มีสองนั่น ในกายมีความสุขกับความทุกข์ในจิตใจนี่มีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆด้วยเราความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นเราก็ค่อยรู้ไปมีสติรู้ไปไม่ใช่ไปนั่งเพ่งให้หายเห็นหลายคนสอนกรรมฐานเคยได้ยินไห ม, มเกิดข้ามเวทนานั่งไปนั่งไปปวดก็นั่งไปน่าทนไปจะข้ามเวทนานี่อาจารย์สอนอีกแล้ว ที่พระพุทธเจ้าสอนคืออะไรภิกษุทั้งหลายนะเมื่อมีสุขเวทนานะก็รู้ว่ามีสุขเวทนาถ้าสุขนั้นมีอามิ t h หมายถึงมีเหยื่อล่อมีสุขเพราะถ้าได้รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้ว่าสุขนั้นมีอามิตรถ้าสุขไม่มีอามิตรก็รู้ว่าไม่มีอา mith สุขเองสุขขึ้นมาเองอย่างเรานักภาวนามีความสุขผุดขึ้นมาเองสุขที่ไม่มีอามิตร ถ้ามีความทุกข์นะความทุกข์มีอามิ t h ก็รู้ความทุกข์ไม่มีอามิ t h ก็รู้ถ้าเฉยๆก็รู้เฉยๆแบบมีอามิตรก็รู้แบบไม่มีอามิ t h ก็รู้รวมแล้วเกอันนั่นในเวทนามี9แบบดูก็ดูให้ครบนะเห็นไหมท่านสอนให้ดูดูลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ดูเพื่อให้ให้เวทนาหายไปถ้าภาวนาเพื่อดับเวทนานะเป็นอัตตานะไม่ใช่อนัตตา ผิดทางของพระพุทธเจ้าเลยในการที่เรารู้เวทนาเนี่ยเราจะรู้อย่างอื่นด้วยที่เราจะรู้กายและจิตด้วยเพราะเวทนาอาศัยอยู่ในกายอาศัยอยู่ในจิตเราะฉั้นเวทนานุปัสสนานเป็นกรรมฐานที่ทํายากกว้างขวางครอบคลุมทั้งกายครอบคลุมทั้งจิตครนะอบคลุมถึงตัวเวทนาครอบคลุมถึงเหตุที่เกิดเวทนานั้นด้วยเฉะนั้นเวทนานุปัสสนาเป็นกรรมฐานที่ทํายาก กายาเนี่ยทำง่ายเวทนาเนี่ยกว้างขวางมากแล้วก็จะต้องใช้หลักอันเดียวกันมีสติระลึกรู้สภาวะของเวทนาที่ปรากฏมีปัญญาเข้าใจเวทนานั้นเพราะเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่นามธรรมาอย่างหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เห็นอีกเวทนาไม่ใช่ร่างกายร่างกายกับเวทนาคนละอนกันร่างกายไม่เคยเจ็บปวดเพราะร่างกายเป็นวัตถุวัตถุไม่รู้อารมณ์ เวทนาไม่ใช่จิตเวทนาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวทนาเป็นสิ่งที่แนบมากับจิตแฝงมากับจิตจะละเวทนาเป็นไปไม่ได้เลยบางอาจารย์สอนถึงขนาดนี้นะมีแม่ชีคนหนึ่งนะเอาตำราของอาจารย์มาให้หลวงพ่อดูเลยเนี่ยหลวงพ่อสอนไม่ถูกหรอกอาจารย์ดีชั้นสอนถูกเนี่ยพลิกดูปับ๊บบอกว่าเวลาเคลื่อนไหวนะให้กาหนดไว้กาหนดไว้นะเพื่ออะไรเพื่อดับเวทนา กำหนดเพื่อดับเวทนาคิดว่าถ้าเวทนาดับตัณหาจะดับสัณหาดับอุปาทานจะดับภพจะดับชาติจะดับทุกข์จะดับเนี่ยไม่เข้าใจอย่างยิ่งเลยไม่มีใครดับเวทนาได้เวทนาเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆุกดวงนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครดับเวทนาได้มีแต่เปลี่ยนสภาพของเวทนาจากสุขจากทุกข์ให้เป็นเฉยเฉยต่างหัก เฉยๆก็เป็นเวทน า, ยยางกันหนึ่งไปคิดว่าเฉยๆไม่ใช่เวทนานั้นมีเฉยๆนะยังมีตันหาอุปาทานพบชาติได้ยังเดิมนั่นแหละงั้นการรู้เวทนาไม่ใช่เพื่อละเวทนาแต่เพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราแล้วจิตจะไม่กระเพื่อมวั่นไหวเพราะเวทนาไม่ใช่ไม่มีเวทนานะแต่จิตไม่กระเพื่อมั่นไหวเพราะเวทนา งั้นอย่างคำสอนที่กําหนดลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะกำหนดเข้าไปกําหนดเข้าไประดับเวทนามีธรรมะที่ดับเวทนาอยู่2 อ, อย่างเท่านั้นเองสัญญาเวทยิตนิโรธอินิโรธสมบัติอันนี้เฉพาะพระอรหันต์พระนาคาที่ทรงฌาน8ถ้าไม่ได้ฌาน8ก็ไม่เข้าไม่ได้นะต่ฌาน8นั้นต้องเป็นว่าสีด้วยอีกอันหนึ่งที่ดับเวทนานะคือพรหมลูกฟัก อสัญญาสัตตาเพราะอะไรพระจิตดับเมื่อจิตดับเจตสิกก็ดับเวทนาเป็นเจตสิกก็ดับร่วมกับจิตเหลือแต่กายนะนั่งสมาธิแล้เหลือแต่กายตัวแข็งทื่อๆไม่มีความรู้สึกบางคนนั่งหลายวันนั่งได้หลายวันนั่นสมลุกฝกมีสองอย่างเท่านั้นที่ดับเวทนาเนะงั้นถ้าภาวนาเพื่อดับเวทนาเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือกลมลุกฟักพระอรหันต์พระอนาคามไม่ได้ดับเวทนา แต่รู้สภาพความเป็นจริงของเวทนาจนไม่ยึดถือกายไม่ยึดเวทนาไม่ยึดถือจิตถึงเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอนาคาคาได้ไม่ยึดเวทนาไม่ยึดกายเนี่ยภูมิของพระอนาคาาไม่ยึดทั้งหมดเลยนั่นเป็นภูมิของพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ก็เวลาจะพักก่อนได้เข้านิโรธสมบัติดับเวทนาได้นอกนั้นไม่มี นี่คนที่ว่ากําหนดดับเวทนาเนี่ยไม่ได้เดินในร่องรอยที่พระอรหันต์เดินถ้าเดินในร่องรอยที่พระอรหันต์เดินก็คือรู้เวทนาไม่ใช่ดับเวทนาเพราะ ง, งั้นสิ่งที่ได้มาคือปลอมลุกฟักเท่านั้นเองไม่มีช้อยที่สองเลยนี่รู้เวทนานะดูจิตก็เหมือนกันจิตเป็นกุศลให้รู้จิตเป็นอกุศลให้รู้นะจิตมีราค่าโทสะโมหะให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้จิตสงบให้รู้ รู้ในหลักเดียวกันคือสติระลึกรู้มีปัญสติรู้สภาวะปัญญารู้ลักษณะเช่นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าความโกรธปรากฏขึ้นมาปัญญาหยางลงไปเลยเห็นเลยตัวที่โกรธอยู่ไม่ใช่เราโกรธหรอกมันเป็นสิ่งแตกปลอมเข้ามาเท่านั้นหนงไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในความโกรธไม่มีตัวเราในจิตที่ไปโกรธไม่มีตัวเราในบุคคลในสัตว์ทั้งหลายที่ทําให้โกรธจะเห็นไม่มีตัวเรานะ งั้นสุดท้ายทำสติปัฏฐานไม่ว่าจะกายเวทนาจิตอะไรเนี่ยสุดท้ายก็คือเห็นว่าไม่มีตัวมีตนนั่นเองลากความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเป็นพระโสดาบันตามรู้ตามดูต่อไปจนเห็นความจริงว่าทั้งรูปทั้งนามมีแต่ทุกข์ล้วนๆนเนี่ยเข้าใจทุกข์อ่ะเข้าใจทุกข์แจ่มแจ้งปล่อยวางความทุกข์หมดความยึดถือในขันเป็นพระอรหันต์ไม่มีทางเดินที่สองมากกว่านี้อีกต่อไปแล้ว ขอย้ำนะไม่มีทางที่สองอีกต่อไปแล้ว <c oughs> นี่เป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ถ้าไม่เรียนก็ต้องลำบากต่อไปอีกนั่นนานนะพระพุทธเจ้าทิ้งร่องรอยไว้ให้เราแล้วต้องเรียนด้วยความเคารพเรียนว่าท่านสอนอะไรไม่ใช่เชื่อแต่อาจารย์วันนี้เชิญไปทานข้าวไปนิมนต์ครับนิมนต์